อันประเสริฐของพระพุทธเจ้าที่จะได้นำไปใช้เป็นแสงสว่างนำทางชีวิตให้ไปสู่ที่สุขที่เจริญที่ปราศจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงวันนี้เราจะมาฟังเรื่องเจตนาหรือจุดประสงค์ของการ เผยแผ่ธรรมของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าออนี้มีพระเจตนามีจุดประสงค์ที่จะเผยแผ่ธรรมะเพื่ออะไรการเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้าออนี้ก็เพื่อที่จะได้นําพาสัตว์โลกอย่างพวกเราทั้งหลายได้หลุดออก จากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่พวกเราทั้งหลายได้ติดอยู่กันเป็นเวลาอันยาวนานและจะติดอยู่ต่อไปกับกองทุกแห่งการเกิดแก่เจ็บตายไปเรื่อยๆป ร, ริมาณของภพชาติที่เรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันนี้มี เป็นจำนวนมากจนเราไม่สามารถที่จะนับได้ด้วยตัวเลขถ้าจะนับก็ต้องนับด้วยน้าตาที่เราต้องร้องห่มร้องไห้กันต้องหลังกันออกมาทุกครั้งที่เรามาเจอกับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้น้ำตาที่เราหลังในแต่ละพบแต่ละชาตินี้ถ้าเราก เอามารวมกันของภพชาติทั้งหลายที่เราได้มาเกิดแก่เจ็บตายกันน้ำตาที่เราได้หลังมาแล้วนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรน้ำในมหาสมุทรคิดดูมันมีมากขนาดไหนแต่น้ำตาที่เราได้หลังมันพาอความทุกข์ต่างๆนั้นมันมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทร การที่เราจะมาหลั่งน้ําตาให้มีมากกว่าน้ามหาสมุทรนี้เราจะต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันกี่รอบกันนั่นแหละคือปรมาณของความทุกข์ที่พวกเราทั้งหลายได้สัมผัสกันมาและยังจะต้องสัมผัสกันต่อไปอยู่เรื่อยๆตราบใดถ้าเรายังไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ไม่ได้พบไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงหรือพบกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือพบกับพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าเราจะไม่รู้กันเลยว่าเหล่านี้เป็นนักเวียนวหา้ตายเกิดกันตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่มาร้องหมร้องไห้มาเศร้าโศกเสียใจกันใหม่ เป็นอย่างนี้มาอยู่เรื่อยๆน่าจะเป็นไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าเราจะได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะพบพระธรรมจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าโดยตรงหรือพบกับพระธรรมคำสอนผ่านพระอริยสงฆ์สาวกเราก็จะได้เรียนรู้เราก็จะรู้ว่า พวกเหล่านี้เป็นนักวียนไหว้าตายเกิดกันเป็นนักร้องห่มร้องไห้กันเป็นผู้ผลิตน้ำตาต่างๆมาเป็นเวลาอันยาวนานและจะต้องผลิตน้ำตาต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะสามารถพบกับคำสั่งคำสอนและนำเอาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มาปฏิบัติเพื่อมาหยุด การเวียนว่ายตายเกิดของเรานี่แหละคือจุดประสงค์ที่พูะเจ้ามาเผยแผ่มาแสดงทำโปรดสัตว์เพราะเห็นความทุกข์ของสัตว์โอกนี้มีเป็นจำนวนมากน่าจะมีไปเรื่อยๆไม่มีวันเส้นสุดเพราะสัตว์นอกเองนย จะไม่มีความรู้ความสามารถที่จะรู้ถึงเรื่องราวของตนเองว่าตนเองเกิดมาได้อย่างไรว่าเกิดมาแล้วนี่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์อย่างไร mm hmm. แล้วไม่รู้ว่าหลังจากที่ตายไปแล้วจะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปอยู่เรื่อยๆ mm hmm. แล้วก็จะไม่รู้ว่าวิธีที่จะทำให้การเวียนว่ายตายเกิด นั้นจะสิ้นสุดลงได้อย่างไรต้องมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่มาตัดจะรู้เรื่องเหตุที่พาให้สัตว์โลกอย่างพวกเราต้องมาทุกข์กับการเวียนว่ายตายเกิดกันและจะทรงรู้เหตุที่จะทําให้การเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกอย่างพวกเรานี้ได้สิ้นสุดลงได้ มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องดังกล่าวนี้ mm hmm. ถ้าเราได้มาเกิดในยุคที่มีพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า mm hmm. มีผู้ที่เป็นพระอริยบุคคลที่ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วแต่ยังมีชีวิตอยู่ ที่ยังสามารถนําเอาคําสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้านี้มาสั่งสอนให้กับพวกเราอยู่ได้พวกเราก็จะถือว่าพวกเรานี้มีโชคอันมหาศาลที่นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งนานๆที่พวกเราจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์กันแล้วก็ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับพระอริยสงสาวก พปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เรียกว่าพระสุปฏิปันโนกันแล้วก็จะได้อาศัยคำสั่งําสอนของท่านเหล่านั้นนำม า, มาปฏิบัติเพื่อให้ได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปในเบื้องต้นหลังจากที่พูะุทธเจ้าได้ทรงตัดสร่งใหม่ๆ ตอนแรกๆพระพุทธเจ้าก็มีความไม่ปรารถนาที่จะเอาความรู้ที่พระองค์ได้ทรงตัดสร่งคือการยุติการเวียนว่ายตายเกิดนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับสัตว์โลกก็ทรงเห็นว่ามันเป็นคำสอนที่ยากที่จะทำให้ผู้ที่ได้ยินได้ฟังนำมาไปปฏิบัติ เพื่อให้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ในเบื้องต้นจึงไม่ค่อยจึงไม่ทรงมีความยินดีที่จะนำเอาธรรมมันประเสริฐนี้มาเผยแผ่สั่งสอนต่อมาหลังจากที่ท้าวมาหาพรหมได้ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าจะไม่ไม่ปรารถนาที่จะแสดงธรรมโปรดสัตว์โลก จึงได้เข้ามากาบขออาาธนาขอความเมตตาจากพระพุทธเจ้าอั้ได้โปรด ก, ร, กรุณากรุณาพิริจชัยอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้ให้เห็นว่าการแสดงธรรมของพระองค์นี้ยังเป็นประโยชน์อยู่แก่สว์โลก อาจจะไม่เป็นกับสัตว์โลกทั้งหมดแต่ก็อาจจะมีสัตว์โลกบางส่วนที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะสามารถนับคำสอนของพระ อ, องค์ไปปฏิบัติได้องค์จึงได้มินิฉัยแล้วจึงแยกสัตว์โลกไว้สี่จำพวกด้วยกันเปรียบเหมือนบัวสี่เหล่าจำพวกที่หนึ่งนี้เป็นพวกที่มีความพร้อมมากที่สุด ที่จะรับแสงสว่างแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าที่จะนำมาไปใช้ในการยุติการเวียนว่าตายเกิดได้กล mm hmm. ุ่มแรกนี้พองทรงเปรียบเหมือนพวกบัวเหนือน้ำ mm hmm. บัวที่อยู่เหนือผิวน้าแล้วแต่ยังไม่บานรอให้แสงสว่างของดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นมาในยามเช้าพอมีแสงสว่าง ดวงอาทิตย์ปรากฏในยามเช้าบัวที่อยู่เหนือน้ำพอได้สัมผัสกับแสงสวา่างก็จะบานขึ้นมาทันทีองค์ก็ทรงเปรียบกลุ่มพวกแรกที่เป็นพวกบัวเหนือน้ำนี้เป็นพวกที่มีศักยภาพมีความพร้อมมีความสามารถที่จะนำเอาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไปปฏิบัติเพื่อให้ได้ หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ทันที <Yeah. S 1> นี่คือพวกที่เป็นพวกบัวเหนือน้ำได้แก่พวกที่มีศีลบริสุทธิ์และมีจิตตั้งมั่นในสมาธิคือมีสามารถนำจิตให้เข้าสู่ฌานขั้นต่างๆได้รูปฌปานอรูปฌปาน ตรงนี้ก็คือกลุ่มพวกที่เป็นนักบวชทั้งหลายนั่นเองนักบวชที่ได้บวชมานานได้รักษาศีลมาบริสุทธิ์ตลอดเวลาแล้วก็สามารถทำใจให้สงบนิ่งให้เป็นอุบเบกขาให้วางเฉยได้อันนี้เป็นคุณสมบัติสำคัญในการที่จะนำเอาความรู้ที่เป็นเหตุที่พาให้สัตว์โลก ต้องเวียนวหว้ตายเกิดกันนั้นว่าจะหยุดเหตุนั้นได้อย่างไรเหตุที่พาสสารโลกเรามาเวียนวหว้ตายเกิดก็มีตัณหาความอยากนี่ความอยากสามชนิดความอยากจะหาความสุขจากการเสษรูปเสียงกลิ่นรสผดฉาเสษกามความอยากที่จะหาความสุขจากการเสบความสงบของรูปฌาน และความอยากที่จะเสพความสุขของอรูปฌานอันนี้แหละเป็นความอยากสามชนิดที่พาให้สัตว์โลกต้องมาเกิดในตายพบกันถ้ามีความอยากจะเสพกามเสเปลือเสียงจิตลถก็จะมาเกิดในกามมาพบกามมาพบก็คือพบของผู้ที่เสพกามได้แก่มนุษย์เทวดาสัตว์ในราชา และเปิตเป็นต้นพวกนี้ก็จะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายในการมาพบอยู่เรื่อยๆเพราะยังติดการเสพกามอยู่ส่วนพวกที่ติดการเสบรูปฌานก็จะมาเกิดอยู่ในรูปประพบพบของรูปประพรมพวกที่ติดในการเสบรูปฌาน ก็จะกลับมาเกิดในอรูปภพจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพต่างๆเหล่านี้ไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าต้องการที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดก็จะเป็นที่จะต้องตัดความอยากเสพการความอยากเสพรูปประชานและความอยากเสพอรูปประชานให้หมดไป ถ้าสามารถหยุดความอยากเสพได้ก็จะสามารถยุติการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏได้ผู้ที่พร้อมที่จะสามารถหยุดความอยากเหล่า น, นี้ได้ก็คือนักบวชที่มีศีลที่สะอาดบริสุทธิ์และมีจิตใจสงบตั้งมั่นในสมาธิมีอุเบกขา ที่จะสามารถต้านความอยากหยุดความอยากที่เกิดขึ้นในใจได้ mm hmm. พระองค์ก็ทรงเห็นกลุ่มแรกที่พร้อมที่จะรับคําสอนก็คือพระปัญจวคี mm hmm. พระปัญจวคีก็คือสา ว, วกเก่าของพระพุทธเจ้าตอนที่ยังไม่ได้ตัดสรลุเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็มีพระปัญจวคีห้ารูป mm hmm. คอยติดตาม คอยศึกษาคอยเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าเพราะคิดว่ามีพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นแหละที่จะสามารถที่จะสอนให้เขาได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่หลังจากที่พระเจ้าได้ทรงบำเพ็ญเพียรด้วยการอดพระกยอาหารถึง49วันแล้วทรงเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นวิธีของการที่จะหยุดความอยากได้อย่างถาวร องก็เลยทรงเลิกวิธีการของการหยุดอาหารแล้วกลับมาใช้การบาเพ็ญจิตตะภาวนาเจริญสมาธิทําจิตใจให้นิ่งแล้วก็เจริญวิปัสสนาปัญญาเพื่อให้เกิดปัญญาให้เห็นอริยสัจสีเห็นใจรักหลังจากที่ทรงตัดสัลูเห็นอริยสัจสี่เห็นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิด นะเห็นตายลักเหตุที่จะทำให้หยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้<ม>พระ อ, องค์ก็เลยทรงตัสัูวแช่วงนั้นช่วงที่พระ อ, องค์สุหยหยุดสวยพระกยายหารบรรดาพระสาวกห้ารูปคือพระปัญจวัคคีย์ก็เสื่อมศรัทธาในตัวพระพุทธเจ้ามไม่ขอติดตามรับใช้ต่อไปแยกตัวออกจากพระพุทธเจ้าไป หลังจากที่พระเจ้าได้ทรงตัดสัตวและได้ทรงตัดสินพระทัยว่าจะแสดงธรรมโปรดสัตว์โลกแล้วก็ทรงคิดถึงพระปัญจวคีนี้เป็นกลุ่มแรกเพราะทรงเห็นว่าพวกเขานี้มีศักยภาพพร้อมที่จะรับแสงสว่างแห่งธรรมเหมือนกับดอกบัวที่อยู่เหนือน้ําแล้วพร้อมที่จะรับแสงสว่างของดวงอาทิตย์เพื่อให้บานขึ้นมาก็เลยไปโปรดพระปัญจวคีเป็นกลุ่มแรก ไปทรงแสดงธรรมให้กับพระปัญจวาคีทั้งห้าหลังจากที่ได้แสดงธรรมอยู่สองสามครั้งด้วยกันเหล่าพระปัญจวาคีทั้งห้าก็บรรลุมรรคผลนิพพานหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ในระยะเวลาอันสั้นไม่กี่วันไม่หลังจากแสดงธรรมไม่กี่ครั้งเท่านั้นเองเหล่าพระปัญจวาคีก็เข้าใจ ถึงหลักของอริยสัจสี่หลักของตยละก็เลยสามารถที่จะทำให้จิตใจของท่านเหล่านั้นหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะเห็นว่าการไปเสดการมก็ดีรูปฌานก็ดีรูปฌานก็ดีล้วนเป็นของชั่วข่าวล้วนเป็นความสุขชั่วข่าวที่จะต้องเสื่อมหมดไป เมื่อหมดไปก็จะต้องทําให้กลับมาเกิดใหม่เพื่อมาเสพใหม่อยู่เรื่อยๆท่านก็เลยละการทั้งสามชนิดกความอยากทั้งสามชนิดได้ละการมาตัณหาความอยากเสพกาพรภาวะตัณหาความอยากเสเรู ป, ประชาแล ะ, ะวิภาวะตัณหาความอยากจะเสเอารูปประชานได้นี่คือบัวที่อยู่เหนือน้ํา เือเป็นพวกที่เป็นนักบวชที่มีศีลบริสุทธิ์แล้วก็มีสมาธิสามารถเข้าฌานได้ทุกเวลาที่ต้องการพวงนี้มีพลังจิตที่สามารถที่จะสู้กับความอยากได้ถ้าได้เรียนรู้ถึงปัญญาลดด้วยปัญญาว่าเหตุที่พาให้เมวเวรว่าตายเกิดก็คือความอยากต่างๆ ถ้าต้องการหยุดการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องหยุดความอยากทั้งสามนี้ให้ได้เมื่อมีอุเบกขาก็สามารถที่จะหยุดได้นี่คือกลุ่มแรกบัวเหนือน้ตอนแสดงทมยุคลรกๆนี้พระพุทธเจ้าจะมุ่งไปสอนพวกนักบวชทั้งหลายนักบวชบางทีมีอยู่ห้าร้อยลูกมาฟังทมพร้อมกัน หลังจากฟังทำเสร็จก็บรรลุหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ทันทีพร้อมๆกันเลยเพราะเขาเป็นบัวเหนือน้ํานะ้บัวที่เหนือน้ํำพอได้สัมผัสกับแสงสว่างของดวงอาทิตย์ก็จะบานขึ้นมาพร้อมๆกันจิตใจที่เป็นบัวเหนือน้ําก็คือจิตใจที่มีศีลบริสุทธิ์มีสมาธิที่ตั้งมัน่นสามารถทําจิตให้นิ่งให้สงบให้เป็นอุเบกขาได้ตลอดเวลา พอเกิดความอยากขึ้นมาแล้วพิจารณาด้วยปัญญาว่าความอยากนี้คือตัวที่พาให้มาทุกข์มาให้เวียนว่ายตายเกิดก็สามารถที่จะหยุดความอยากเหล่านี้ได้ทันทีหลังจากที่ได้โปรดพวกที่เป็นทุกข์บวชเหนือน้ําแล้วเข้าทรงไปโปรดพวกที่ลองลงมาคือบวปลิมนม้ําบวชที่จะโผล่เหนือน้ําขึ้นมาในระยะเวลาอีกสองสามวันข้างหน้า พวกนี้ก็คือเป็นพวกนักบวชที่มีศีลบริสุทธิ์แต่ยังกําลังฝึกสติฝึกสมาธิกันอยู่ยังไม่สามารถเข้าฌานเข้าสมาธิได้อาจจะเป็นเพราะพึ่งบวชใหม่ไในรักษาศีลได้แต่ยังไม่ได้เข้าสมาธิได้พองก็ส่งมาสอนพวกนี้ให้ฝึกสติให้ฝึกสมาธิกันก่อน ทำจิตใจให้สงบให้เป็นอุเบกขาให้ได้ก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยสอนทางปัญญาให้พิจารณาอริยาาสัจสีพิจารณาตายรักตามลำดับต่อไปตรงนี้ก็ใช้เวลาสักระยะหนึ่งก็สามารถที่จะบรรลุเป็นหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เป็นพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าได้ ตรงนี้ก็เป็นบัวกลุ่มที่สอง <ฮะ S 1> บัวที่ยังมีโอกาสที่จะโผล่เหนือน้ําแล้วก็จะเบิก<ค><อ>ก็จะบานต่อไปเวลาที่ได้สัมผัสกับแสงสว่างของดวงอาทิตย์หลังจากที่สอนพวกนี้แล้วพระองค์ก็ทรงไปสอนกลุ่มที่สาคือบัวกลางนา้ํา<ค><อ>บัวที่พ้นจากกองพ้นจากโคลนตม พ้นจากการเป็นอาหารของปูและปลามีโอกาสที่จะเจริญขึ้นไปตามลำดับต่อไปจนถึงเป็นบัวเหนือน้าและบานขึ้นมาได้พวกนี้ก็คือพวกที่ยังไม่ได้เป็นนักบวชเป็นพวกที่อาจจะรักษาศีลได้ในระดับของคู่ครองเดือนก็คือรักษาศีลห้าได้แน้ววันพระก็อาจจะมาถือศีลของนักบวช เพื่อมาฝึกสติฝึกสมาธิแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะรักษาศีลทำบุญทาทานเป็นหลักเพราะมีเวลาไม่มากพอเพราะจำเป็นที่จะต้องใช้ชีวิตแบบผู้คลองเรือนต้องไปทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องออแล้วก็ไปหาความสุขจากการเสพกามเสพ ร, รูปเสียงกิน่นลสโฐพัชชนิดต่างๆ มีเวลาวันไหนมีเวลาว่างก็จะมาแบ่งมาให้กับการทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนาไปตรงนี้ก็จะต้องใช้เวลาปฏิบัติไปเรื่อยๆจนกว่าอินทรีย์จะแก่กล้าขึ้นศรัทธามีศรัทธาแรงขึ้นมีความเพียรมากขึ้นมีสติที่จะไปปฏิบัตินั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ เมื่อได้เมื่อได้พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปก็จะกลายเป็นบัวเหล่าที่สองก็คือจะไปเป็นนักบวชกันคารวะนี้นักบวชทั้งหลายก็ไม่ได้มาจากที่ใครก็มาจากพวกคารวาสผู้คองเรือนทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ต้องเกิดมาเป็นคารวะกันก่อนเป็นผู้คองเรือนกันก่อนแต่หลังจากที่ได้พัฒนาอินทรีย์เช่นศีล เ, เช่นทาน ทำบุญทำทานรักษาศีลแล้วก็ฝึกสตินั่งสมาธิกันจนพอมีกาลังมากขึ้นไปก็จะสามารถที่จะออกบวชได้ได้เป็นนักบวชไปรักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วก็มีเวลาที่จ ะ, จะรัเจริญสตินั่งสมาธิได้ตลอดเวลาไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องของการทรมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอีกต่อไป ตรงนี้ก็จะค่อยๆเจริญจากบัวเหล่าที่สามไปสู่เหล่าที่สองแล้วก็ไปเป็นบัวเหนือน้ำตามลำดับแล้วก็จะบรรลุได้ต่อไปนี่คือกลุ่มของผู้ที่จะมีความสามารถที่จะสามารถนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไปปฏิบัติเพื่อไปยุติการเวียนว่ายตายเกิดของจิตใจของเขาได้ ส่วนบัวกลุ่มที่สี่คือบัวที่ยังอยู่กับคนตมอยู่นี้เป็นบัวที่ยังถูกโมหะอาวิชชาความหลงความโง่เขาเบาปัญญาทําให้มองไม่เห็นเรื่องของบุญของบาปเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดคิดว่าเป็นเรื่องงมงายเป็นเรื่องของคนโง่คนเพราะเป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาฝ่า เขาเห็นต yes. ัวเขาเห็นเพียงแต่ร่างกายของเขาแล้วเมื่อร่างกายของเขาตายไปแล้วใครจะไปเกิดใหม่เขาก็เลยไม่มีความเชื่อในเรื่องของการยืนว่วตายเกิดไม่มีการเชื่อเรื่องของนรกของสวรรค์ไม่มีความเชื่อในเรื่องของการทาบุญทำบาตสอนพวกนี้ไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะว่าเขาจะไม่นำมาไปปฏิบัตินั่นเองนี่ก็คือพวกบัวเหล่าที่สี เรียกว่าบัวที่อยู่กับคนตมบัวเหล่านี้จะไม่มีโอกาสได้โผล่ขึ้นเหนือน้ําได้เลยเพราะจะกลายเป็นอาหารของปูของปลาไปตามลําดับต่อไป mm hmm. คนกลุ่มนี้พระพุทธเจ้าก็จะไม่เสียเวลาไปสั่งสอนเพราะสอนไปเขาก็ไม่เชื่อ mm hmm. เขาก็ไม่ฟัง mm hmm. เขาก็ไม่นําเอาไปปฏิบัติ mm hmm. ก็เลยไม่พิสอนผู้ที่ไม่เชื่อในเรื่องบาป บ, บุญนรกเรื่องสวรรค์ ไม่เชื่อเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดมไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมนีม่ไม่เชื่อเรื่องของการยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้<ม>นี่ก็คือคนสี่กลุ่มด้วยการที่พระเจ้าได้ทรงพิจารณาว่าควรจะไปสั่งสอนใครก่อนใครหลังจ<ม>ึงได้ดําเนินไปตามลําดับ<ม>สอนกลุ่มที่เหนือน้ําเป็นบัวเหนือน้ําก่อนแล้วก็มาสอนบัวที่ปลิมนม้ํา แล้วก็มาสอนบัวที่อยู่กลางงา้มไปตลอดระยะเวลา 45, สาี่สิบห้าพรรษานี้พระพุทธเจ้าก็ทุ่มเทเวลาชีวิตให้กับการเผยแผ่สั่งสอนธรรมะเพียงอย่างเดียวไม่ได้สนใจกับการที่จะไปสร้างวัดสร้างอะไรต่างๆสร้างถาวรและวัตถุต่างๆเหมือนกับที่เป็นกันอยู่ในสมัยนี้สมัยนี้ชาวพุทธเรามักจะมุ่งไปที่การสร้างถาวรและวัตถุ ก, กัน มากกว่าที่จะไปสนใจกับการศึกษาต่อ ก, การปฏิบัติธรรมกันพระพุทธ <Yes. S 1> เจ้านี้ให้ความสําคัญต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติธรรมทรงแสดงธรรมโผลสันโลกวันละห้ารอบวันละสี่รอบด้วยกัน <Yes. S 1> ช่วงบ่ายก็ทรงสอนพวกฆราวาสญาติโยม <Yes. S 1> ช่วงค่าก็สอนพวกนักบวชภิกษุภิกษุณี ในยามดึกก็สอนพวกเทวดาแล้วในตอนเช้าก่อนที่จะเสด็จออกมินทบาท mm hmm. ก็ทรงเลงยานดูว่ามีใครบ้างที่อยู่ในเป็นกรณีพิเศษที่จะสามารถบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วและอาจจําเป็นที่จะต้องเสียชีวิตไปก่อนในระยะเวลาอันใกล้นี้พระองค์ mm hmm. ก็จะทรงมุ่งไปโปรดบุคคลเหล่านั้นก่อนในวันนั้นไปแสดงธรรม สแสดงคำสองคาเขาได้ยินเขาก็เข้าใจเขาก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดเขาตายไปก่อนที่จะได้ยินได้ฟังธรรมนี้โอกาสที่จะมาได้ยินได้ฟังธรรมครั้งต่อไปนี้ไม่รู้จะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่เพราะถ้าเขากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่คราวหน้าซึ่งเราไม่รู้ว่าจะเป็นเวลาสักเท่าไหร่ คำสั่งคำสอนของพระพุทธศาสนาก็จะหายไปหมดไปจากโลกนี้แล้วก็ได้เขาก็จะไม่ได้รับไม่มีโอกาสได้รับประโยชน์จากคําสอนเลยในพระพุทธเจ้าจึงทรงให้ความสําคัญกับกลุ่มคนกลุ่มเหล่านี้ถ้แาแรงยาเห็นว่าเขาอาจจะต้องถึงแก่ความตายในระยะเวลาอันใกล้และเขามีศักยภาพที่จะน้อมนําเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติเพื่อให้ จิตของเขาได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ท่านก็จะมุ่งไปสอนคนคนนั้นในเวลาในวันนั้นก่อนนี่คือหน้าที่ของพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญอยู่เรียกว่าพุทธกิจห้านอกจากการบินทบาทก็มีการเผยแผ่สั่งสอนธรรมะให้แก่คนสี่กลุ่มนี้นั่นเองนี่คือเป้าหมายจุดประสงค์ของการ เผยแผ่คำสค่งคำสอนของพระพุทธเจ้าให้แก่สรรโลกอย่างพวกเราและการสอนของท่านก็สอนเป็นขั้นเป็นตอนเพราะว่าการที่จะออกจากโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี่ต้องออกตามลำดับของขั้นของของของความสามารถแลวก็ของระดับจิตของของผู้ปฏิบัติ ด, ด้วยองถึงสอน จากขั้นต่ำไปสู่ขั้นสูงเพราะการจะออกจากโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นี้ต้องออกจากการมาพบก่อนแล้วก็ไปติดอยู่ที่รูประพบหรืออรูประพบแล้วหลังจากนั้นก็ให้ออกจากรูประพบหรืออรูประพบไปสู่พระนิพพานต่อไปคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีแบ่งไว้เป็นสามขั้นตอนด้วยกันขั้นแรกก็คือให้ละการกระทาบาปทั้งปวง คือการละการกระทำบาสนี้เพื่ออะไรก็เพื่อไม่ให้จิตที่ขณะนี้อยู่ในระดับของมนุษย์นี้ให้ลงไปต่ํากว่าความเป็นมนุษย์ mm hmm. ก็คือถ้าทําบาปจิตใจก็จะลงต่ําไปสู่ระดับของเดรัจฉานของเปรตของอสุรกายและของสัตว์นรกถ้าจิตตกลงไปสู่ไนบาแล้วนี้โอกาสที่จะ น้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัตินี้ย่อมเป็นไปไม่ได้เลย mm hmm. เหมือนคนที่ไปติดคุกติดตาราง mm hmm. ไม่สามารถที่จะออกมาทํามุญทําทานมาภาวนามาชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ดั mm hmm. งนั้นในเบื้องต้นจึงสอนให้ละการกระทาบาปทั้งปวง mm hmm. อย่าไปตกนรกอย่าไปเกิดในอบายอย่าไปเป็นสัตว์ในละฉาน เ, นเป็นเปรตเป็นอสุลกาย เพราะการไปเกิดเป็นสัตว์เหล่านี้จะทําให้ไม่มีความสามารถที่จะน้อมนําเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติได้เลยพระเจ้าจึงสอนให้ปิดประตูอบายก่อนอย่าทําบาปเหตุท mm ี hmm. ่พาให้เราไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นนรกละกายและไปนรกนี้ก็คือการกระทําบาปและการเสพอบา ย, ยามุกนี่จ mm hmm. ึงทรงสอนให้ ผู้ที่ปรารถนาที่อยากจะหลุดพ้นจากกองทุกขแห่งการเวียนว่าตายเกิดนี้จําเป็นที่จะต้องรักษาศีลห้าให้ได้แล้วก็ลัเว้นจากการเสพอบายามุขเช่นการดื่มสุรายาเมาการเล่นการพนันการเที่ยวเตะการเกียดข้านและการครบคนที่ชอบอบายามุขเป็นนิตร<ม><ม>การกระทําเหล่านี้จะดึงจิตให้ไปทํำบาปได้ง่าย เพราะอบายามุขนี้ไม่มีไม่มีการผลิตทรัพยากรมีแต่การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้หมดไปเมื่อหมดแล้วก็จะทำให้จำเป็นจะต้องไปหาทรัพยากรมาโดยวิธีชอ่อโกงบ้างโกหกหลอกลวงบ้างลักทรัพย์ของผู้อ <ừ ừ. S 1> ื่นบ้างจึงทรงห้ามไม่ให้เสพอบายามุขกันแล้วก็ให้ละการกระทำบาป ไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่ให้รักทรัพย์ไม่ให้ประพฤติผิดประเพนีไม่ให้พูดปดเดืมสุรายาเมาเพราะการกระทาเหล่านี้จะดึงจิตให้ลงต่ำไม่ได้ไม่ได้ดึงให้จิตขึ้นสูงแต่อย่างใดถ้าเราต้องการไปออกจากตายพบออกจากการเวียนว่ายตายเกิดเราจะต้องพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปตามลำดับตอนนี้จิตใจของพวกเราเป็นมนุษย์กัน ทัานต่อไปเราก็ต้องพัฒนาจิตใจให้ไปเป็นเทวดาแต่เบื้องต้นก็ต้องต้องให้รักษาความเป็นมนุษย์ไว้ให้ได้ก่อนด้วยการรักษาศีลด้วยการไม่เสพอบายมุขต่างๆถ้าเรารักษาศีลได้ไม่เสพอบายมุขได้เราก็จะรักษาสถานภาพของความเป็นมนุษย์ได้เมื่อเราเป็นมนุษย์เราก็จะมีความสามารถที่จะทําบุญทําทานได้ ทำบุญทาทานถ้าเรารักษาศีลได้ขั้นต่อไปก็คือเราก็ต้องแบ่งปันความสุขของเราให้แก่ผู้เพราะว่าความสุขที่เรามีกว่า น, นี้เป็นความสุขที่เป็นเหมือนกับเยื่อที่ยะล่อให้เราติดอยู่ในในกรมมาพบนั่นเองความสุขที่ได้จากการเสพกรรมเราก็อย่าไปหาความสุขแบบนี้สละความสุขแบบนี้ มีทรัพย์สิสนสมบัติเข้าของเงินทองก็มีไว้ใช้สำหรับการเลี้ยงชีพเท่านั้นก็พอร่างกายเราเรายัางต้องเป็นจะต้องดูแลรักษาเพราะถ้าขาดร่างกายเราก็จะไม่สามารถที่จะปฏิบัติทายกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นกว่าที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้ได้ดังนั้นการเลี้ยงดูร่างกายก็จึงถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่เราจำยังต้องทำกันอยู่ต้องเลี้ยงร่างกายด้วยปัจจัยส ด้วยอาหารด้วยเครื่องนึ่ง่มด้วยที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคแต่การเลี้ยงร่างกายนี้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเลี้ยงแบบหรูหราแบบฟุ้งเฟ้อเหอ่เหเลี้ยงแบบใช้ของแพงๆเพราะว่ามันก็ได้ผลเท่ากันพระเจ้าทรงสอนให้เลี้ยงแบบมักน้อยสันเด่พอให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอ ก็ที่เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากกับการที่ต้องมาเลี้ยงดูร่างกายเพราะเราต้องการจะเอาเวลามาให้กับการยกระดับจิตของเราจากมนุษย์นี้ให้ขึ้นสูงขึ้นไปสู่ระดับเทพระดับพรหมและระดับพระอริยบุคคลตามลําดับต่อไปเราจําเป็นที่จะต้องมีเวลาให้กับการปฏิบัติเหล่านี้เราก็เลยจําเป็นที่จะต้องใช้เวลาให้น้อยที่สุดต่อการเลี้ยงดูร่างกาย อย่างพระเจ้าก็ทรงสอนพระภิกษุที่มาบวชนี้ให้ใช้เวลาการเลี้ยงดูร่างกายแบบมากน้อยสันโดษ mm hmm. แค่อาหารก็ให้ใช้การบินธบาต mm hmm. ไปเช้าก็ไปบินธบาตในหมู่บ้านได้อาหารอะไรมามากน้อยก็ให้พอใจแล้วก็รับประทานอาหารนั้นเพื่อดับความหิวก็พอไม่ได้ต้องการหาความสุขจากการรับประทานอาหารรับประทานไว้เพื่อเลี้ยงดูร่างกายไม่ให้อดยาก ไม่ให้อดตายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยทั้งนี<ม>้แล้วส่วนที่อยู่อาศัยก็ให้หาตามมีตามเกิดส่วนใหญ่ก็สอนให้ไปอยู่ตามป่าตามเขาเพราะเป็นที่สงบสงัดที่ที่ที่เหมาะต่อการเจริญทำขั้นสูงต่อไป<ม>ให้ยินดีไม่ให้ไปบรบกวนไม่ให้ไปเสียเวลาสร้างบ้านสร้างเรือนอยู่กัน<ม>อยู่แบบนักบวช<ม>อยู่แบบพระธุดง ัสษาให้อยู่ป่าอยู่ตามโคนไม้อาจจะทำเพิงทำอะไรกันแดดกันฝนได้ก็พอแล้ว<ม> อ, อยู่ตามเงื่อมผาอยู่ตามถ้ำก็ได้<ม>อันนี้คือที่อยู่ของนักบวช<ม>ของผู้ที่ต้องการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด<ม>อาหารก็กินแค่มื้อเดียวก็พอ<ม>แล้วก็กินในบาตรอาหารที่ได้มาทั้งหมดก็ใส่ไปในบาตรจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับการที่จะต้องมีภาชนะต่าง และต้องไม่เสียเวลากับการที่จะต้องมาทำความสะอาดหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จมีบาดใบเดียวนี่สบายฉันเส็จก็ล้างปร๊บเดียวก็เสร็จมหมดภารกิจเรื่องการรับประทานอาหาร<ม>เรื่องที่อยู่อาศัยก็ไม่ต้องมาคอยซ่อมคอยสร้างกันอยู่ตามมีตามเกิดก<ม>ันเครื่องนุ่งห่มก็คือผ้าจีวรก็ให้ไปเก็บผ้าที่เขาทิ้งในป่าช้าที่เรียกว่าผ้าป่าผ้าห่อศพนี่ เอามาซักเอามาย้อมเอามาตัดเป็นจีวรก็ใช้ได้ไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองไม่ต้องไปหาเงินหาทองไปซื้อซื้อผ้าชนิดต่างๆมาห่มกันสมัยก่อนเขานิยมเอาคนตายห่อด้วยผ้าแล้วก็เอาไปทิ้งในป่าชาไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเผาไม่ต้องขุดดินฝังปล่อยให้มันเสื่อมให้มันเน่าให้มันกลายเป็นดินน้ำมือไฟไป ผ้าที่ห่อสมที่เหลืออยู่ก็ไม่มีใครต้องการพวกนักบวชนี่แหละเป็นพวกที่จะไปเก็บผ้าเหล่านี้มามาซักมายอ้อมมาตัดมาเย็บให้เป็นผ้าจี่วรนต่อไปส่วนยารักษาโรค ก, ก็ให้ใช้ยาดองน้ำมูกของตนเองน้ำปัสสาวะของตนเองหาผลไม้ผลละหมากรากไม้ที่เป็นยาเอามาดองดองด้วยด้วยน้ำปัสสาวะของตนเอง แล้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้ดื่มยาดองจากน้มปัสสวะนี้ก็สามารถรักษาโรคไข้ไข้เจ็บสามัญได้<ม>นี่คือการเลี้ยงดูร่างกายเพื่อให้ง่ายที่สุดแล้วใช้เวลาน้อยที่สุดเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลากับการเลี้ยงดูร่างกายมากจนเกินไปเ<ม>พราะเราจาเป็นที่จะต้องมีเอาเวลานี้มาพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นจาก จากมนุษย์ก็ให้ไปเป็นเทพก่อนการเป็นเทพก็คือการสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เราไม่ต้องใช้<ม>ที่เราเอามาใช้ ก, <ม>กับการเสพการนี้ให้เอาใช้เงินทองเหล่านี้ไปกับการทำบุญทำทาน<ม>เพื่อที่จะ ย, ยกระดับจิตใจจากมนุษย์ให้ขึ้นไปเป็นเทพ<ม>ถ้าเกิดตายไปยังไปไม่ถึงนิพพานก็ได้ไปเกิด<ม>ไปอยู่บนสวรรค์ชั้นเทพก่อน แล้วถ้าหลังจากทำบุญทำทานได้ก็สามารถที่จะออกบวชได้ออกบวชก็จะได้มามาพัฒนาจิตใจจากระดับเทพไปสู่ระดับพรหมด้วยการด้วยการถือศีลศีลของนักบวชก็คือละเว้นการหาความสุขจากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผธพถะนั่นเองผู้ที่เป็นนักบวชนี้จะไม่เสพ รูปเสียงกลิ่นรสผลทพ้าแบบผู้ที่เป็นคาราวาผู้คองเรือนเช่นศีลศีลข้อสามที่เป็นกาเมคือไม่ไม่ประพฤติผิดประเพณีของคาราวาถ้าคาราวามาถือศีลแปก็ต้องเปลี่ยนเป็นอัอบรามจาริยาเวรามณีมก็คือไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับใครเอาเวลาที่เราไปร่วมหลับนอนนี้มาหาความสุขจากการทำจิตใจให้สงบ ด้วยการเจริญสติด้วยการนั่งสมาธิถ้าเราเจริญสตินั่งสมาธิจนสามารถทําจิตใจให้สงบได้เราก็จะได้พบกับความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้รับจากการเสพ ร, รูปเสียงกิริย์ลดต่างๆเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขของตามนั่นเองคือความสุขที่เกิดจากความสงบพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านัตถิสันติปรังสุขขัง ไม่มีความสุขอื่นใดจะจะเหนือกว่าความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบด้วยการเจริญสติด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเข้าฌานในระดับต่างๆอันนี้เป็นเป้าหมายแรกของนักปฏิบัติลองถือศีลบวชลาเว้นจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว ไม่หาความสุขจากการดูมหลสบบันเทิงต่างๆไม่หาความสุขจากการเสริมสวยความงามของร่างกายแล้วก็ไม่หาความสุขจากการนอนหลับมากเนเกินไปโดยการไม่นอนบนเตียงที่มีความสุขความสบายมีฟูกหนาๆนะให้นอนบนเตียงหรือ บ, บนพื้นที่เป็นแข็งพื้นแข็งๆเพื่อที่จะได้นอนไม่มากขอร่างกายได้พักผ่อนหลับนอนพอแล้ว เวลาตื่นขึ้นมาใจก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สุขแต่ถ้านอนบนฟูกหนาๆแล้วนอนบนเตียงสำรานเตียงที่สบายเวลาร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วตื่นขึ้นมาใจก็ยังจะไม่อยากจะลุกยังอยากจะนอนต่อก็จะทำให้สูญเสียเวลาอันมีค่าที่จะมาใช้ในการเจริญสติมานั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบให้เกิดความสุขขึ้นมา ที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้าชนิดต่างๆนี่เองนี่คือหน้าที่ของการรักษาศินของนักบวชจะเป็นศิล8ก็ได้ศินสิก็ได้ศินสองี่สิบก็ได้ก็รู้ว่ามีหน้าที่อันเดียวกันนี้เพื่อกําจัดการไปเสียเวลากับการไปหาความสุขจากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้าชนิดต่างๆนั่นเอง ให้เอาเวลามาเจริญสติมาเน้นจงกรมมานั่งสมาธิคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดแล้วก็นั่งสมาธินั่งหลับตาให้ใจจดจอ่ออยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจะเป็นรมบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปก็ได้หรือจะเป็นการดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกก็ได้ให้ใจจดจอ่อดูดูเฉยเฉยไม่ต้องทำอะไรให้สักตะวันรู้ไป แล้ว่าตใจสามารถจดจ่ออยู่แล้วไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆได้เดี๋ยวใจก็จะรวมเป็นหนึ่งเป็นสมาธิขึ้นมาเลวลาจิตรวมนี้จะมีความรู้สึกที่อัศจรรย์ใจเป็นความรู้สึกที่ไม่เคยพบกันมาก่อนเพราะเป็นเหมือนกับการเข้าสู่ไปอีกโลกหนึ่งจากโลกธานนี้ไปสู่โลกทิพย์เวลาจิตรวมนี้แสดงว่าจิตนี้ได้ถอนตัวออกจากโลกธาตออกจากร่างกายออกจากตาหูจมูกรูปเสียงกลิ่นรส แล้วเข้าไปสู่โลกของความสงบของใจอันนี้เป็นถ้าผู้ปฏิบัตินี้ถ้าถึงจุดนี้แล้วจะไม่จะไม่ถามใครจะรู้ว่านี่แหละคือความสงบถ้ายังไม่ถึงจุดนี้ก็จะไม่รู้ก็ยังจะสงสัยอยู่ซึ่งการปฏิบัติเบื้องต้นมันก็อาจจะมีความสงบบ้างความคิดอาจจะน้อยลงไปเบาลงไปบางลงไปแต่มันยังไม่หยุดนะอย่าไ ป, อ ย, าไปอย่าไปคิดว่านั่นคือสมาธิน การที่เป็นสมาธินี้จิตตั้งรวมเป็นหนึ่งศักดิ์แล้ว่านิ่งสงบปราศจากความคิดปรุงแต่งแล้วก็ไม่ต้องบังคับคอยควบคุมความคิดอยู่ต่อไปเพราะความคิดมันจะหยุดของมันไปตราบใดที่ยังต้องใช้สติคอยคุมความคิดอยู่สแสดงว่าจิตยังไม่สงบเต็มที่แต่ถ้าจิตสงบเต็มที่แล้วไม่ต้องใช้สติควบคุมอีกต่อไปมันจะไม่มีอะไรคิดมันจะว่างมันจะเย็นจะสบายมีความสุขนี่คือ การยกระดับขึ้นสูงจากจากระดับจากระดับมนุษย์ไปสู่เทพจากเทพไปสู่ระดับพรหมก็คือการเป็นไปไปบวชหรืออยู่แบบนักบวชเพราะการที่จะทําใจให้เข้าสู่ความสงบได้ น, นี้จําเป็นที่จะต้องใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับจะเอาเวลาไปทํากิจอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากกิจที่จําเป็นเล็กๆน้อยๆ เป็นการรับประทานอาหารการดูแลรักษาความสะอาดของที่อยู่อาศัยเท่านั้นเองแต่แต่ไม่ให้ไปทากิจแบบที่ต้องใช้ความคิดสร้างนู่นสร้างนี่ทำนู่นทำนี่อันนี้จะไม่ถ้าไปทากิจเหล่านั้นแล้วทาการที่จะเข้าเอาจิตเข้าสู่ความสงบให้รวมเป็นหนึ่งนี้เป็นไปไม่ได้จะเป็นต้องตัดภารกิจต่างๆทั้งหมดให้หมดไปให้ได้ ทำภารกิจอันเดียวเท่านั้นโดยการดึงใจให้เข้าสู่ความสงบให้ได้โดยการเจริญสติตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาก็ตั้งสติเลยจะตั้งสติด้วยการใช้พุทโธก็ได้บริกรรมพุทโธพุทโธไปไม่ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ก็ให้ใช้พุทโธํากับดูกับการกระทำนั้นๆเพื่อไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องเรื่องอื่นให้จิตอยู่ในปัจจุบันอยู่กับ การเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายถ้าเราไม่ใช้พุทโธเราก็ใช้ดูร่างกายแทนก็ได้ดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายว่าตอนนี้ร่างกายกําลังทําอะไรอยู่ก็ให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวเพียงอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องอื่นร่างกายจะอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันก็ให้รู้อยู่กับการอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันแล้วแต่งเนื้อแต่งตัวจะรับประทานอาหารจะทําความสะอาดอะไรก็ให้มีสติรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวการทํางานของร่างกาย ไม่ปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าเรามีสติใจก็จะอยู่กับเรื่องราวเหล่านี้อยู่กับพุโทโธก็ได้อยู่กับการเคลื่อนไหวต่างๆของน่างกายก็ได้พอถึงเวลาว่างไม่มีอะไรทํำเราก็นั่งหลับตาถ้าจะใช้พุโทโธต่อก็ได้ก็พุโทโธต่อไปเรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจคิดแล้วเดี๋ยวถ้าพุโทโธไปแล้วไม่มีความคิดต่อไป จิตก็จะสงบรุง่งจิตก็จะเข้าสู่การสงบแบบตกหลุมตกบ่อคนที่ใช้คำบริกรรมพุโทโธนี้มักจะเวลาเข้าสมาธิมันจะเหมือนตกลุมตกบ่อตกจากที่สูงรูปแล้วก็จะ น, นิ่งสงบแล้วก็เฉยไปหรือถ้าไม่ใช้คำบริกรรมพุโทโธก็ใช้การดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกก็ได้ให้ดูเฉยๆดูลมเฉยๆอย่าไปควบคุมบังคับลม อย่าไปสั่งให้หายใจลึกๆหายใจ ย, วยาวๆอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีของอานาปนาสติอานาปนาสติก็คือให้มีสติรู้อยู่กับการเข้าออกของลมหายใจลมจะหยาบก็รู้ว่าหยาบลมจะละเอียดก็รู้ว่าละเอียดสั้นก็รู้ว่าสั้นยาวก็ว่ายาวไม่ต้องไปสั่งไม่ควบคุมบังคับลมปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเราเพียงใช้ลมเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้ลอยไปคิดกับเรื่องราวต่างๆ น, นั่นเอง ถ้าเราผูกใจไว้อยู่กับลมหายใจได้เดี๋ยวใจก็จะรวมเข้าสู่สมาธิได้เช่นเดียวกันซึ่งการใช้อานาปานะนี้ความสงบก็้าจจะสงบเป็นขั้นๆมันจะลงไปทีละกึกทีละกึกเน่มันไม่จะไม่ลงทีพูดภาพลงทีเดียวเต็มขั้นเลยอันนี้ก็แล้วแต่มันไม่แน่การการรวมของจิตนี้ในแต่ละครั้งมันอาจจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน แต่เป้าหมายก็คืออันเดียวกันคือให้จิตรวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้ตัดสะจากความคิดตรุงแต่งนิ่งเฉยเฉยมีอยู่เบกขาอันนี้ะคืออัปปนาสมาธิหรือธนิกะสมาธิถ้าธนิกะสมาธิก็จะสงบนิ่งได้ชั่วหนึ่งขณะช่อชื่วเ ช, วช่วงูแลบลิ้นหรือชื่วฟ้าแลบสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่ๆสติยังมีกาลังไม่มากพอ ก็จะสามารถเข้าสู่คณิกะสมาธิได้ทั้งนั้นยังไม่สามารถอยู่ในอัปปนาสมาธิได้คืออยู่ได้นานกว่าชั่วขณะหนึ่งก็เรียกว่าเป็นอัปปนาสมาธิเช่นสงบได้ห้านาทีนิ่งได้ห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีหรือนานกว่านั้นเราก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิอันนี้แหละคือเป้าหมายแรกของการปฏิบัติคือต้องการให้จิตเข้าสู่อัปปนาสมาธิให้ได้ เพราะจิตที่มีอัปนาสมาธิจะมีพลังมีอุเบกขายิ่งเข้ายิ่งเข้าไปได้ม า, มากเท่าไหร่บ่อยเท่าไหร่กำลังของอุเบกขาก็จะมีมากขึ้นฉะนั้นเวลาออกมาก็จะสามารถใช้ปัญญาสอนใจให้ปล่อยวางความอยากต่างๆถ้าใจมีอุเบกขามากๆ ก, ก็จะสามารถสู้กับความอยากได้ถ้าเกิดความอยากเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ถ้าใจมีอุเบกขามีปัญญาสอนให้ใจรู้ว่า การทำตามความอยากนี้เป็นการนำไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่ไปสู่ความสุขเพราะสิ่งที่อยากได้นั้นมันเป็นความสุขชั่วคราวได้แล้วเดี๋ยวไม่ไม่ช้าก็เร็วมันก็จะหมดไปพอหมดไปมันก็จะทําให้ใจทุกข์ทำให้ใจเศร้าโศกเสียใจได้ถ้าไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะเศร้าโศกเสียใจก็อย่าไปทําตามความอยากจะไม่ทําตามความอยากได้ใจก็ต้องมีอุเบกขามีพลังกําลังที่จะสู้กับความอยาก ถ้าไม่มีกำลังถึงแม้จะรู้ว่าการทำตามความอยากจะนำไปสู่ความทุกข์ก็ก็ห้ามไม่ได้ทนไม่ไหวทนต่อความความความอยากไม่ได้เวลาเกิดความอยากนี้มันจะสร้างความทุรนทุรายความหงุดหงิดความไม่ไม่สบายใจต่างๆให้เกิดขึ้นมาอันนี้แหละเป็นสิ่งที่จะทนไม่ไหวเวลาเกิดความอยากอย่ถ้ามีอุเบกขานี้อุเบกขานี้จะสามารถอ่าต้านหรือลด ผลที้เกิดจากความอยากที่ทาให้เกิดอาการรู้สึกไม่สบายใจได้สามารถที่จะทำให้หยุดความอยากต่างๆได้ น, นี่ก็คือขั้นขั้นขั้นต่อจากการที่ได้สมาธิเพราะว่าการได้สมาธินี้หยุดความอยากได้ชั่วคราวในขณะที่ใจอยู่ในสมาธิแต่ยังไม่สามารถหยุดความอยากได้อย่างถาวรเวลาออกจากสมาธิมานี้ ความอยากเศษการมก็ยังมีอยู่ความอยากเสพลูกประชานก็ยังมีอยู่ความแสะความอยากจะเสพรูปประชานก็ยังมีอยู่ถ้าต้องการที่จะหยุดมันก็ต้องหยุดตอนที่มันโผล่ขึ้นมาถ้าเกิดความอยากจะเศษการมก็ใช้ปัญญาพิจารณาสอนใจว่าการมาคุณห้าเป็นของไม่เทีย่ยมเป็นทุกข์เป็นของชั่วกราวไม่มสามารถที่จะทําให้มันเป็นของถาวรให้ความสุขกับเราได้ตลอด เพราะมันเป็นอนัตตามันเป็นของที่มันมีการเปลี่ยนแปลงของมันไปเป็นของเรื่องของภาวะปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขึ้นขึ้ น, นลงลงสลับกันไปมีดีบ้างมีไม่ดีบ้าง เ, เวลาได้สัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสผดถ้าที่ดีก็เกิดความสุขใจเพราะรูปเสียงกลิ่นรสผดพ้ะเปลี่ยนไปเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผดถ้าที่ไม่ดีก็ทําให้เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาได้ เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์กับรูปเสียงกลิ่นรสก็อย่าไปเสกมัน mm hmm. เช่นเดียวกับรูปประชานะรูปประชานก็เป็นของไม่แน่นอนบางทีก็ได้รูปประชานบางทีก็ไม่ได้เวลาได้ก็เกิดความสุขขึ้นมาแล้วเวลาออกจากรูปประชานมาความสุขนั้นก็หายไปก็อยากถ้าอยากจะได้ใหม่ก็ต้องเข้าไปใหม่ใน mm hmm. ช่วงที่ไม่ได้เข้าก็จะเริ่มมีวามรู้สึกไม่ค่อยสบายใจ ดังนั้นถ้าเราต้องการตัดความไม่สบายใจที่เกิดจากการอยากที่จะเสพสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องหยุดการเสพเวลาอยากจะเสพลูกเสียงกินแล้วก็ต้องไม่เสพใช้ปัญญาสอนใจว่ามันเป็นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่เป็นการไปหาความสุขเช่นเดียวกับรูปฌปานนะรูปฌปานก็เช่นเดียวกันต้องหยุดเสพมันต้องไม่เพิ่งมันพอหยุดความอยากได้แล้วจิตจะกลายเป็นจิตที่สงบขึ้นมาทันที เหตที่จิตเราวุ่นวายทุกข์กันไม่มีความสุขกันก็เพราะความอยากต่างๆเหล่านี้เวลาเกิดความอยากแต่ละครั้งนี้ใจเราจะรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกลำคาญรู้สึกไม่ผ่องใสไม่เบิกบานรู้สึกว้าวุ่นขุ่นมัวพอเราหยุดความอยากได้อารมณ์ต่างๆเหล่านี้ก็จะหายไปใจก็จะว่างเย็นสงบไปอันนี้เป็นการวิธีสร้างความสุขที่ เกิดจากความสงบแบบถาวรความสุขที่เกิดจากการที่เรากําจัดตัวที่ทำให้จิตใจเราไม่สงบกันก็คือความอยากทั้งสามนี่ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากเสด ร, รูปประชานความอยากจะเสดว่ารูปประชานที่เราพิจารณาด้วยปัญญาแล้วว่ามันเป็นทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับมันเราก็ต้องหยุดมันหยุดด้วยอุบเบกขาที่เราได้สร้างจากการ การเข้าสมาธิเข้าอัปปนาสมาธิอยู่เรื่อยๆเราต้องอาศัยอัปปนาสมาธิอาศัยอุเบกขาที่เกิดจากอัปปนาสมาธิมาสู้กับความอยากมาหยุดความอยากแล้วก็อาศัยปัญญาที่มาสอนเราว่าทําไมเราถึงต้องไม่ทําตามความอยากเพราะการทําตามความอยากจะพาให้เราไปสู่ความเสียใจในภายหลังความเศร้าใจในภายหลังนั่นเองนี่คือขั้นตอนขั้นสุดท้ายของการที่จะยกระดับจิตใจ ให้ออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้ออกจากกามาพบรูปประพบและอรูปประพบได้ด้วยการปฏิบัติจิตตภาวนาส ม, มถภ า, าวนาวิปัสนาภาวนาส ม, มถภ า, าวนาทําใจให้สงบให้เกิดมีความสุขให้มีอุเบกขามีกําลังที่จะสู้กับความอยากต่างๆแล้วก็ไปสู่ขั้นวิปัสนาพิจารณาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ของที่มีอยู่ในตใจพบนี้ไม่ว่าจะเป็นความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็ดีามสุขจากรูปประชารือรูปประชาก็ดีล้วนเป็นตายลักษทั้งนั้นล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไปเสพแล้วก็จะติดติดแล้วก็จะทุกเวลาที่ไม่ได้เสพหรือเวลาที่มันไม่มีให้เสพอันนี้ถ้าเห็นด้วยปัญญาแล้วมีอุเบกขาก็จะสามารถที่จะฝืนความอยากได้หยุดความอยากได้ ความใยความอยากที่เคยมีอยู่ในใจที่เคยสร้างความวุ่นวายความไม่มีความสุขในใจความรู้สึกหิวโหยมันก็จะหมดไปใจก็จะมีความรู้สึกอิ่มรู้จักรู้สึกพอตลอดเวลาเป็นบรลามังสุขขังขึ้นมาเ mm. นี่ยแหละคือใจที่เราเรียกว่าพระนิพพานใจที่ได้กาจัดความอยากต่างๆทั้งสามให้หมดไปจากใจ mm. ใจก็จะเป็นนิพพานใจก็ความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดจาก ความอยากต่างๆก็จะหายไปหมดพอความทุกข์หายไปหมดสิ่งที่เหลืออยู่ก็มีแต่ความสุขเป็นอย่างเดียวความมีความพอใจที่มีไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่ต้องการอะไรต่อไปไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าความสุขทางการก็ไม่สนใจความสุขทางลูกประชานก็ไม่สนใจความสุขจากลูประชานก็ไม่สนใจเพราะใจสามารถอยู่ตามลาพังได้โดยที่ไม่ต้องไปมีอะไรมาให้ความสุขอีกต่อไป นี่แหละที่เราเรียกว่าความสุขของพระนิพพานนิบบานังปรมังสุขถังสุขเพราะไม่มีความอยากความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจได้ถูกกาจัดไปหมดสิ้นแล้วด้วยการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาและสมถะภาวนาควบคู่กันการภาวนานี้ต้องมีทั้งสองส่วนมึนจะสามารถที่จะกาจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ ยังไม่ควรมองข้ามการปฏิบัติสมาถะภาวนาไปซึ่งบางท่านอาจจะเข้าใจผิดที่ว่าไม่จำเป็นที่จะต้องใช้สมาถะภาวนาไม่ต้องฝึกสมาธิใช้ปัญญาได้เลยฝึกสติพิจารณาไตรลักษณ์พิจารณาริยาัจจีแล้วก็จะสามารถที่จะกำจัดความอยากดับความทุกข์ได้แต่ใจที่ไม่มีสมาธินี้ไม่มีอุเบกขานี้จะไม่มีกาลังที่จะสู้กับความอยากได้ ดัง น, นั้นต้องพยายามฝึกสติฝึกสมาธิให้ได้ก่อนให้จิตมีอยูเบกขาก่อนเมื่อมีอยูเบกขาแล้วทีนี้ก็ไปฝึกทางปัญญามองทุกอย่างให้เห็นว่าเป็นไตรลักมองให้เห็นว่าถ้าไปทําตามความอยากแล้วจะต้องเกี่ยวกับความทุกข์อย่างแน่นอนถ้าไม่ต้องการให้มีความอยากไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นในใจก็จะต้องหยุดความอยากต่างๆให้มันหมดสิ้นไปจากใจให้ได้ อันนี้คือเรื่องของการยกระดับจิตใจจากขั้นต่ําที่เราอยู่กันในขณะ น, นี้คือขั้นมนุษย์อันนี้จิตใจของพวกเราเป็นขั้นมนุษย์อย่าให้มันต่ำไปอย่าให้มันลงต่ำไปกว่านี้เราต้องการยกจิตใจของเราให้สูงขึ้นไม่ให้ต่ําลงการที่จะทําให้จิตใจเราต่ําลงก็คือการไปทําบาปการไปเสพ บ, บาบายามุกถ้าเราไม่เสพ บ, บาบายมุกไม่ทําบาปเราจะไม่จิตใจเราจะเป็นมนุษย์อยู่ไปเรื่อยๆ แล้วถ้าเราได้ทําบุญทําทานได้เสียสละทรั์สมบัติที่เราไม่จําเป็นจะต้องใช้ไม่ต้องมีเพราะเราจะไม่หาความสุขจากการใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆเราก้เาเงินทองเหล่านี้ไปบริจาคทําบุญทําทานช่วยเหลือคนที่เขายังตกทุกข์ได้ยากต่อไปใจของเราก็จะสูงจากมนุษย์ไปเป็นเทพไปสู่สวรรค์ชั้นเทพแล้วจากนั้นเราก็พร้อมที่จะไปศึกษาไปไปปฏิบัติแบบนักบวชได้ พอใจเราเป็นเป็นเทพแล้วเราก็จะสามารถขึ้นไปสู่ระดับพรหมได้เราก็จะไปฝึกสตินั่งสมาธิไปถือศีลศีลแปดขึ้นไปแล้วเราก็จะได้สมาธิได้ปัญญาพอเราได้สมาธิเราก็จะเข้าไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมชั้นลูก ป, ประพรมลูก ป, ประพรมแล้วพอเราใช้ปัญญาเพื่อมาสกัดมากำจัดความอยากต่างๆ ที่มีในใจของเราให้หมดสิ้นไปแล้วเราก็จะเข้าสู่ระดับของพระอริยบุคคลเข้าสู่พระระยับระดับของพระโสดาบันพระสกิฎาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์ตามลําดับต่อไปพอเราถึงขั้นพระอรหันต์แล้วเราก็ดูดเอาจากไตรลักษณ์ดูดดูดเอกจากไตรภพดูดออกจากสังสารวัฏได้อย่างสมบูรณ์เราก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้า ที่ต้องการนําเอาธรรมะประเสริฐนี้มาเผยแผร่สั่งสอนให้แกส่สรรโลกเพราะอย่างพวกเราที่ยังติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเยินว่าตายเกิดได้หลุดพ้นจากการยินว่าตายเกิดได้ถ้าเราศึกษาและน้ำนําเอาไปปฏิบัติตามขั้นตอนที่พระเจ้าทรงสอนรับรองได้ว่าไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องได้หลุดพ้นอย่างแน่นอนนี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้พรยะทาวเรวาหาปุราปิริปุเรนติสากลังเอวเมีวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิจิตังปะทิตังตุมหังคิปามีวะสมิชฉาตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปณะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติยวิวัชฉันตุสัพพโรโวินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขาโยโภภะอภิวาทนสีลิสานิจังวุฒาปจายิโน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 อันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้ผู้ติดตามทาง facebook พระอาจารย์สุชาติ455 YouTube พระสุชาติไลฟ์355 YouTube d กเตอร์วีชานโ l 67 c l ับ h ฮ u s ์8วิทยุออนไลน์8ผู้รับฟังหน้ากุฏิ177คนรวมทั้งหมด 1,070 ครับ ม, ม, ม, มีคำถามจากผู้รับฟังหน้ากุฏิครับเพิ่งไปปฏิบัติบนเขามาและอดอาหารสามวันสองครั้งรู้สึกว่าแต่ละครั้งในวันที่สองและสจะนั่งสมาธิได้ดีขึ้นและใช้อาหารปฏิกูลเวลานึกถึงมันก็สงบลงแต่พอได้ทานอาหารจะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ครับรู้สึกหนักหัก เมื่อวานหลังจากทานอาหารก็เช่นกันวันนี้ออกจากที่ปฏิบัติแต่เมื่อวานเย็นนั่งสมาธิแล้วก็ไม่ยอมลงครับมานึกถึงว่าออกจากที่ปฏิบัติแล้วต้องทำอย่างไรบ้างแล้วก็คิดขึ้นได้ว่าต้องพุโทโธและอยู่กับปัจจุบันแต่สมาธิมันก็ลงไม่นานคำถามที่หนึ่ง ถ้าจะลงโทษตัวเองโดยการอดอาหารต่ออีกหนึ่งวันจะดีหรือไม่ครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องคิดออกนอกลู่นอกทางถ้าจะอะไร น, นะเอาทางถ้าจะลงโทษตัวเองโดยการอดอาหารต่อไปอีกหนึ่งวันจะเป็นการดีหรือไม่ครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องคิดออกนอกทางครับมันก็ดีถ้าเราถ้าเราทาได้ แต่ถ้าทำแล้วมันเกิดมีการปฏิกิริยาต่อต้านมันก็อาจจะไม่เกิดผลก็ได้เเราก็ต้องพิจารณาดูทดลองดูก็แล้วกันถ้าทำแล้วมันทำให้จิตเราสงบกิเลสมันยอมมันก็ดีถ้าทำแล้วกิเลสมันกลับคืดสู้ขึ้นมามันก็อาจจะต้องวันเดียวอาจจะไม่พ อ, อาจะต้องสองวันสามวันเป็นกว่าใครจะแพ้ใครใครจะชนะ ฉันต้องดูดูผลที่เราใช้มาตรการในการต่อสู้กับกิเลสบางทีใช้บางทีใช้ไม่มากมันก็ยอมแต่บางทีใช้ไม่มากมันก็มันก็ไม่ยอมก็ต้องเพิ่มมาตรการให้มันเข้มข้นมากขึ้นไปนานการปฏิบัติมันก็ต้องมีการปรับไปเรื่อยๆตามสถานการณ์ของการต่อสู้การต่อต้านของกิเลสมันที่กิเลสมันก็แกงแล้ ง, ง, งยอมเรามันก็รู้สึกง่าย พอวันดีคืนดีพอมันจะไม่ยอมเรานี่โอมันสุดยากแสนยากให้เราก็ต้องใช้ความอดทนใช้ความพยายามออกสู้ไปเรื่อยๆอย่าไปยอมแพ้มันก็แล้วกันคำถามที่สองเวลาที่ใจไม่สงบลงลึกแล้วมีอะไรผุดขึ้นมาซึ่งก็เอาภาพซากศพหรืออายตนะเข้ามาพิจารณาซึ่งก็ยังทําไม่ค่อยคล่องครับ แต่เราก็พยายามพิจารณาแต่ไม่ถึงปฏิภาคเพราะว่ากาลังของเราไม่พอการที่สมาธิไม่ลงลึกแล้วเราไปพิจารณาซากศพแต่ก็รู้ว่ามันเป็นการพิจารณาก็ยังตกใจนิดนิดครับเวลาที่เห็นซากศพลืมตาขึ้นมาจะเป็นอันตรายหรือไม่ครับควรจะนั่งให้สมาธิลงลึกแล้วค่อยยกมาคิดหรือเปล่าครับ ถ้ามันยังมีความรู้สึกไม่ดีอยู่ก็อย่าเพิ่งพิจารณาดีกว่าเราสัญญาว่าจิตเรายังมีกําลังน้อยอุเบกขายัางน้อยอยู่กิเลสมันยังมีปฏิกิริยาต่ออสุภะได้แลนั้นต้องฝึกสมาธิให้มากขึ้นให้จิตรวมเป็นอุเบกขาให้มากขึ้นพอนีอุเบกขามากแล้วมันจะไม่มีปฏิกิริยามันจะเห็นอสุภะเหมือนกับเห็นสุภะมันเฉยๆเท่ากันไม่มีอารมณ์ทั้งคู่ไม่รักไม่ชัง คำถามจากท่านต่อไปจากผู้รับฟังหน้ากุฏิครับทำอย่างไรถึงจะนั่งสมาธิได้ดีขึ้นครับเวลาที่นั่งสมาธิสิทธิ์รู้สึกใจสงบแต่ก็ปวดขาและไม่กล้าทนก็เลยขยับครับปฏิบัติที่บ้านได้2 0่สถึงสานาทีถ้านั่งสมาธิที่วัดได้ประมาณ3 0มสถึงสีนาทีครับลูกคนทําอย่างไรถึงจะนั่งสมาธิได้นานขึ้นครับ ต้องต้องเพิ่มการเจริญสติให้มากขึ้นช่วงเวลาที่เราไม่ได้นั่งสมาธินี่เราต้องบันฝึกสติเจริญสติอยู่เรื่อยๆเดินยืนนั่งนอนให้มีสติอยู่ ก, การเคลื่อนไหวของร่างกายหรือให้มีสติอยู่กับคบําบาลีคำพุทโธพุทโธไปถ้าเราทำอย่างนี้ได้ได้มากขึ้นเท่าไหร่กําลังของสติก็จะมีมากขึ้นจะทําให้เรานั่งสมาธิได้นานขึ้นได้สงบมากขึ้นได้ง่ายขึ้นด้วยงั้นอย่ามองท่ามการเจริญสติ ก่อนที่เราจะมานั่งถ้าเราไม่จเจริญสติก่อนที่จะมานั่งมาทํำตอนที่เรานั่งมันจะมีกําลังน้อยเมืว้เวลาที่เราต้องการจะหยุดรถเนี่ยสมมติเราจะหยุดรถอยู่สี่แยกไฟแดงอยู่ข้างหน้าร้อยเมตรเนี่ยถ้าเราไม่เริ่มแตะเบรคตั้งแต่ตอนนี้<ม>เดี๋ยวไปถึงไปแตะเบรคตอนที่เ ส, สียงสี่แยกไฟแดงมันไม่หยุดหรอกมันก็วิ่งทะลุผ่านไปงั้นเราต้องเริ่มเริ่มหยุดความคิดลงตั้งแต่ก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิต้องพยายามฝึกสติให้มากๆ พอถึงเวลาที่จะนั่งสมาธิมันก็จะได้นิ่งได้ง่ายได้เร็วแลานิ่งได้นานคำถามต่อไปจากทาง a ฟ e b o o k คุณแดนผมอยากทราบว่าการที่เรานั่งสมาธิจะนั่งครั้งหนึ่งนานๆหรือจะนั่งวันหนึ่งหลายรอบแต่รอบละไม่กี่นาทีแบบไหนจะได้ผลดีกว่าครับ เพราะโดยส่วนตัวแล้วนั่งได้ไม่นานแค่ยี่สิบนาทีก็ไม่ไหวแล้วครับขอพระอาจารย์เมตตาชีพโดยหลักเราก็ต้องการจะนั่งให้นานที่สุดเท่าที่เราจะนั่งนานได้นั่งได้มากรอบถาลายได้ก็ยิ่งดีแต่าการที่เราจะนั่งได้นานนั่งได้หลายรอบนี่มันก็อยู่ที่กาลังสติของเรานี่หละถ้าเราไม่มีกาลังสติกิเลสมันก็จะดึงใจเราไปทำอย่างอื่นจ<ม>ึงเราไปดูหนังฟังเพลงไปอะไรต่าง เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะนั่งได้มากนั่งได้นานนั่งได้หลายรอบเราต้องพยายามพยานเจริญสติให้มากพยายามคอยควบคุมความคิดหยู่ความคิดอยู่เรื่อยๆไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะแต่ตอนที่เรามานั่งเพียงอย่างเดียวคําถามต่อไปจากทางยูทูบคุณสตาทําไมอังคุลิมานที่ฆ่าคนแต่พอได้ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าแล้วสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ทันทีครับ เพราเขามีกําลังจิตที่จะพลิกเปลี่ยนความคิดเขาได้เมื่อเขารู้ว่าความคิดอันนี้ไม่ดีเขาก็หยุดคิดแล้วก็ไปคิดไปในทางที่ดีได้แทนที่จะไปฆ่าคนก็ไปฆ่ากิเลสแทนแสดงว่าเขามีสติอยู่มากที่สามารถสั่งใจให้เปลี่ยนทิศทางได้คำคำถามต่อไปเป็นภาษาอังกฤษครับหลวงพ่อครับจากผู้ฝากถามครับ Uh, if we are sick from a brain disease caused by an accident, and it makes me unable to control my stress, and have to rely on medicine all the time to live a normal life, and this disease make it impossible to find happiness in life, and very hard to find peace of mind, and many times. It is suffering and affecting people around me, including myself. How can I find peace and happiness? You have to increase your mindfulness. The more mindfulness you have, then the more will be easy for you to calm your mind, to make your mind peaceful and calm. So you need to practice more mindfulness. By either reciting a mantra, butto butto, all the time during your waking hours, or focus, or watch your breath when you're lying down, or sitting and not doing anything, h e n keep watching your breath at the tip of your nose. Try to reduce the amount of thinking as much as possible, and you'll find some peace of mind and be able to live happily, even though the body might be sick. คำถามต่อไปจากทาง youtube คุณกฤตบูนสมาธิกับอุเบกขาต่างกันอย่างไรครับแล้วปฏิบัติอย่างไรจึงจะเกิดอุเบกขาครับสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของใจในความสงบคือถ้าไม่มีสมาธิใจก็จะลอยไปกับความคิดต่างๆคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็แสดงว่าไม่มีสมาธิ พอใจตั้งมั่นอยู่กับความสงบไม่คิดอะไรเราก็เรียกว่าสมาธิและขณะที่ใจตั้งมั่นสงบเป็นสมาธิก็จะเกิดความเกิดความสามารถาในใจขึ้นมาครูเบิกขาใจก็จะวางเฉยกับอารมณ์ต่างๆใจจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงกับอะไรที่มาปรากฏให้รับรู้คำถามต่อไปจากคุณวิไลการเริ่มต้นนั่งสมาธิควรจะทำอย่างไรบ้างครับ ต้องเริ่มที่สติก่อนต้องฝึกสติก่อนที่เราจะมานั่ง <Yeah. S 2> องพยามหัดช่องบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปทั้งวันตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาตื่นนอนก่อนจะลุกขึ้นจากเตียงก็พุโทโธเลยพุโทโธลุกขึ้นจากเตียงเดินไปเข้าห้องน้าล้างหน้าแปรงฟันก็พุโทโธพุโทโธอย่าปล่อยให้ใจคิดในเรื่องที่ไม่จําเป็นจะต้องคิดถ้าจําเป็นจะต้องคิดก็ให้คิดเท่าที่จําเป็นหยุดพุดโทโธไว้ชั่วคราวพอคิดเสร็จแล้วก็กลับมาพุโทโธพุโทโธต่อ ทำกิจกรรมอะไรที่เราต้องไม่ต้องไม่ต้องใช้ความคิดก็อยากใช้ก็อยากคิดให้รู้เฉยๆเช่นตอนเราล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารนี้ไม่ต้องใช้ความคิดมากก็ให้รู้อยู่ว่าเรากําลังทําอะไรหรืออยู่กับพุทธโธพุทธโธไปแล้วถ้าเรามีมีความสามารถที่จะควบคุมหรือหยุดความคิดให้มันน้อยลงได้เราก็มานั่งสมาธิได้เวลาเราอยากจะนั่งสมาธิเราก็นั่งหลับตาแล้วก็ท่องพุทธโธไปอย่างเดียวก็ได้ แล้วดูลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวก็ได้ที่ปลายจมูกไม่ต้องใช้ทั้งสองอย่างควบคู่กันบางคนเขาจะใช้สองอย่างก็ได้หายใจเข้าก็ว่าพูดหายใจออกก็ว่าโธก็ได้มีสามวิธีด้วยกันเวลานั่งสมาธิหมนแล้วเลยอมันแล้วก็คิดว่าท่านนี้ก่อนก็แล้วกันนะก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิณิพิจารณาไปปฏิบัติ